วันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งวันเตรียมที่จะเข้าพรรษาถ้าตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ว่าวันนี้เป็นวันอัสรหาบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งวันหนึ่งเป็นวันครบพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ครบบริบูรณ์ในวันนี้วันเดือนหกเพนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมในคืนวันเดือนหกเพน อุเพนิวาสานุจติยานลึกชาติผนหลังได้จุปะปะปะตูปปาตยานการจุติของสพรพพสัตวการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตวและก็อาสาวะคยายานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระภัยของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ได้สวยวิมุตติสุขในบริเวณที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรู้ทีละเจดวันเจดวัน ที่โครนต้นโพเจ็ดวันที่สะมุตจลินเจ็ดวันที่ต้นไซเจ็ดวันรวมแล้วก็หลายอาทิตย์จากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จมาโปรดปัญจวคีทั้งห้าที่ป่าอิสิ ป, ปตนะมิขทายวันแขวงกรุงารณาสีพอมาถึงก็ได้แสดงธรรมจากกักปปวัตนสูตรพระอัญญาโกนธัญญาก็ได้สำเร็จ พระโสดาบันเป็นท่านแรกเป็นสาวกท่านแรกที่เข้าใจทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ได้แสดงธรรมสืบเนื่องเป็นอนัตตลกนัสูตรในวันต่อมาท่านทั้ง5้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมื่อสําเร็จเป็นพระอรหันต์กับพระสงฆ์เกิดขึ้นในวันนี้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก่อนมีแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรม ก็ทำคือคําสอนจากนั้นพระพุทธองค์ได้นํำทำคําสอนมาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนําปัญจวคขีทั้งห้าบรรจวคขีทั้งห้าก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ก็เป็นพระสงฆ์สาวกคือเป็นผู้สดับพระสงฆ์สาวกสาวกกาแปลว่าผู้สดับจากพระธรรมคําสั่งสอนแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สดับมาจากใครท่านเป็นผู้ตัดสรู้ตัดสรู้เองโดยชอบตัดสรู้พระธรรม แล้วก็นำพระธรรมมาบอกกล่าวแนะนำพระสงฆ์คือปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านที่มาถึงวันนี้ได้อายุของเราพวกเราเท่าไรแต่ละท่านก็รู้แก่ใจเพราะนั้นควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะมีศีลณนะ์วันนี้นะให้มีศีลคือตั้งต้นมีศีลมีศีล ม, มีธรรม ที่ได้กล่าวขอรัตนาศินเมื่อกี้นี้กต่ว่าท่านพูดที่ยังไม่พร้อมก็เพียงรักษาศินห้าก็เป็นบุญกุศลมหาศาลดีมากแต่ว่าพูดที่มีภาระธุระน้อยอย่างผู้สูงอายุอย่างเนี้ยสุขภาพยังดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกว็ควรจะรักษาศินอุโบสถนะคือรักษาศินแปรักษาสินแปดคือรักษาศินอุโบสถส่วนศินห้านั่นก็คือศิน พวกอุบา ส, กบาสิกาทั่วไปออสินห้าประการที่หลวงพ่อได้พูดใน MP3 มพมขอมากต่อมากแต่กดที่จะพูดไม่ได้เพราะว่าบางคนก็ไม่มี MP3 ที่จะฟังบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะฟังเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาวัดหลวงพ่อในวันนี้หลวงพ่อก็จะที่บายให้เรื่องสินให้ฟังสัก่อนก่อนที่จะรับสินไปนะ สินมีคุณค่ายังไงมีประโยชน์ยังไงต่อพวกเราท่านทั้งหลายในหลักของพุทธศาสนาศินที่วางไว้ก็คือวางไว้สําหรับชุมชนสังคมถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบโร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องเป็นผู้มีศินเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองนะ่ะบ้านเมืองใดก็ตามถ้าหากว่าไม่มีกฎระเบียบในชุมชนและสังคมหรือประเทศของเขาประเทศนั้นก็เป็นประเทศที่ป่าเถื่อนเออเป็นประเทศที่ ผู้ใดมีอำนาจเหนือกว่าใครก็สามารถที่จะย่ำยีแก่คู่คนได้ทุกหัวไหลแหงในกลุ่มนั้นแต่ถ้าว่ามีกฎหมายขึ้นมาแล้วคนทุกกลุ่มก็ต้องเลียงมีอำนาจเฉลี่ยกันถ้าว่าใครใช้อำนาจผิดปกติคนในกลุ่มนั้นเขาก็ลุกยืนขึ้นมาเรียงเข้าข้างกฎหมายคือมันมีกฎอยู่แล้ว อันนี้คงเหมือนกันหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเหมือนกับกฎหมายนั่นะสินห้าเนี่ ย, ยพวกเราอย่าคิดฆ่ากันนะนพระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทของพระองค์ถ้าว่าพวกเราคิดฆ่ากันมีความระแวงแคลงใจกันอยู่ตลอดไปที่ไหนก็หาความสงบร่อนเย็นเป็นสุขไม่ได้ในชุมชนและสังคมในยุคนั้นแต่ว่าพวกเราไปนะสถานที่ใดไม่คิดฆ่ากัน ไปที่ไหนก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีแต่ความเมตตาซึ่งกันและกันแล้วจะไปในหัวละแหงไหนก็มีแต่ความสงบมีแต่ความผาสุขทางจิตใจเพราะฉะนั้น พ, พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันข้อที่สองอธินาทานอย่าขโมยกันถ้าพวกเราคิดขโมยกันไปที่ไหนมีแต่ขโมยโพยโจนไปวางสิ่งของไว้ที่ไหนมีแต่จ้องมีแต่จะขโมยกันพวกเราคิดดูกันแล้วกันว่าจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้จากที่ไหน วันนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สองมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับพวกเราอย่างมากต่อพุทธบริษัทสี่ของพระองค์ข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวรามณีอย่าประพฤติล่วงละเมิดสามีภรรยาคนอื่นของเขาลูกหลานของเขาลูกหลานของใครสามีภรรยาของใครเขาคลรักสงวนห่วงเห็นของเขาเพราะนั้นให้เราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าว่าพวกเราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้ว เราจะไปนสถานที่ใดลูกหลานลูกเต้าเหล้าหลานสามีภรรยาของเราไปนสถานที่ใดมีแต่ความอบอุ่นเพราะไม่มีความระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันไว้เนื้อเชื่อใจกันผู้อยู่ผู้ไปโดยมากก็มีแต่สงบร่มเย็นเป็นสุขทางจิตใจถ้าว่าเราไม่มีศีลข้อนี้ในบ้านในเมืองในชุมชนของเราไปที่ไหนก็ชากลากถูกัน เราจะหาความชุขสบายใจได้อย่างไรคิดดูให้ดีก็แล้วกันอันนี้คือสินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวระมณีเราอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาการต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขามาต้มตุนหลอกลวงเราเออเราก็เสียใจเราก็เสียทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากมายที่คนต้มตุนหลอกลวงซึ่งกันและกันเพราะนั้น พ, พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศินว่าอย่าโกหกกันอย่าต้มตุนหลอกลวงกัน ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งเขาเราเราเขามาต้มตุ้นหลอกลวงเราพี่น้องญาติโกโหติกาของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปต้มตุ้นหลอกลวงเขาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันเนือสินข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชชะประมากการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในพรรษานี่หลวงพ่อจะขอปิณฑบาตกับศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่มานั่งฟังเอ่อ กับหลวงพ่ออยู่ในขณะ น, นี้ในพรรษาเนี่ยควรจะงดหลวงพ่อว่านะถ้าเราเป็นพุทธรมามะกะพุทธบริษัทเพราะการดื่มสุราเข้าไปแล้วไม่เป็นผลดีต่อตอนเองต่อครอบครัวต่อวงสาคนาญาติเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตอนเองอีกต่างหากตับคงตับแข็งในร่างกายของเราแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่ยอมรับในสามีภรรยาในวงสาคนาญาตของตอนอีกต่างหากเพราะนั้น การดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแหความประมาทคือคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็ขาดความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าชั่วคู่ชั่วขณะอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับเราเห็นไงเห็นไหมคนเป็นบ้าชั่วคู่ชั่วขณะอันนี้ถ้าเป็นบ้าท้าวอนก็คือพวกเราเห็นอยู่ในถนนแต่ถ้าว่าเป็นดื่มสุราเนี่ยคือชั่วขณะหนึ่ง ประเดิยวประดาบางคนก็เดิมต่อไปตลอดไปก็ยิ่งเมาไปเรื่อยยิ่งขาดสติไปเลยคนขาดสติทําความชั่วในทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่ามวยของใครก็ได้ประพฤติประหลาประโลวงในสามีภรรยาคนอื่นก็ได้โกหกก็ได้เพราะฉะนั้นสีลข้อที่หเป็นศิน อ, อันตรายข้อหนึ่งขอให้พวกเราคิดดูให้ดีไตรตรองด้วยเหตุผลเพราะหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเหตุผล ชีนนำชี้นะให้พวกเราคิดไม่ใช่พูดเปล่าๆไปแล้วก็ผ่านไปผ่านไปไม่ใช่เเป็นหลักเหตุผลจะให้พวกเรากันกรองไตรตรองพิจิตพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเอ mm hmm. แล้วก็สิลข้อที่ห้าข้อที่หก็คือวิการละโภท่านตัดกิเลสตัดกิเลสของคู่คนที่โลภโลเลในอาหารเอตัดข้อที่หข้อที่เจ็ดไม่ให้ฟังเสียงร้องรมทำเพลงตัด อารมณ์ทางหูเสียงทางหูมาลากันท่าเวรตัดกิเลสทางจมกูกคือไม่ให้ดมไม่ให้มีกลิ่นหอมลูกปลร่างกายของตนเองอุดยาสยนะมหาสยามาไม่ให้นอนที่นอนอันใหญ่ยัดพุ้นและสําเร็จติดความติดในความสุขไปที่ไหนไม่ได้เพราะติดในเสือ่อติดในหมอนเพราะพระตเจ้าวให้ตัดกิเลสซะเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยถึงจะสุขก็สุขไปอย่างนั้นละ่ะ อีกสักวันหนึ่งความทุกข์มหันต์ดูไปต่อไปทางข้างหน้าควรจะฝึกเอาไว้ควรจะรู้เอาไว้ควรจะฝึกเอาไว้ดีกว่านะเพราะนั้นคณะสัตา ย, ยายาโยมที่มาในวันนี้รู้แล้วสินแประการคือสินห้าคือตั้งแต่ทุราคือศินห้าติอธิบายขึ้นมาพิการลโภขึ้นมาจึงอุจจาร์คือศิน8คือศินอุโบสถเพราะฉะนั้นนวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่ง ในทางพระพุทธศาสนาขอให้คณะสัทย า, ศ า, ศา ญ, ญาติจมลูกหลานเน้อพ่อที่จะรักษาสินข้อไหนได้หรือจะไม่รักษาทั้งหมดข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีนะอไม่ใช่เอาข้อที่หข้อเดียวก็ยังดีเอาข้อที่หนึ่งก็ดีข้อไหนก็ดีทั้งหมดสินของพระพุทธเจ้ารักษาข้อไหนก็คือเป็นศีลธรรมจริยธรรมด้วยกันทั้งนั้น่หละนะแต่ได้ทั้งครบทั้งหมดก็ยิ่งดีนะ แล้วในพรรษาที่จะถึงวันพุ่งนี้นะหลวงพ่อเองก็อยากจะบอกกล่าวคณะทายาทโยมหลวงพ่อย้ำแล้วย้าอีกก็คือพวกเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุสัมาเนนสรุปแล้วก็คือพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้าเราจะอยู่เป็นวันวันเดือนเดือนปีปี โดยที่ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรเลยอันนั้นประวัติอยู่ด้วยความประมาทนะพระพุทธเจ้าท่าว่าอยู่ในความประมาท ต, ตั้งอยู่ในความประมาทเหตุไรเราจึง อ, อจะทํำยังไงเราจึงจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเกิดมามีจุดจบแล้วมีกรรมเป็นการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าพูดออกไปเ อ, อ โลกทั้งโลกยุคนี้สมัยนี้เขาก็หาว่าพระเนี่ยมีแต่เอาความตายมาขู่กันและเอากลัมมาขู่กันแต่ตามไม่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับไฟอย่างนี้แหละเออไม่ใช่ว่าไฟมันร้อนนะเอ้าจะเอาไฟมาขู่กันทําไมฮะเออแต่ตามไม่จริงมันร้อนนะอ่ะเออล้วก็บอกว่ามันร้อนนะเปมันเป็นพิษเป็นภัยนะให้ระวังนะไฟนะะเออถ้าว่าตัวเองไม่ระวังไฟก็ไหม้บ้านไหม้เรือนเอม ไม่สิ่งของไปได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราประกาศและบอกกล่าวกันไฟนะให้ระวังนะอย่างนี้ก็จะเป็นผลดีสำหรับพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าพระพุทธองค์ได้ตัดสรุธรรมที่โกลนต้นโพในวันเดือนหกเพนเมื่อได้ตัดสรุแล้วท่านรู้ได้ว่าุกเพเนวาสานุสติยาน ละลึกชาติผลหลังได้เป็นอันว่าพวกเราเกิดมาแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกที่จะให้เกิดนั่นคือพระพุทธองค์ได้ค้นคว้าศึกษาดูแล้วนั่งสมาธิดูแล้วกันกรองไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วในร่างกายของพวกเราเนี่ยมีสองอย่างอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมีสองอย่างคือรูปประธรมรมรูปประธรรมคือร่างกายส่วนนามธรรมนั้นคือจิตใจมันอาศัยกันอยู่ทั้งสองอย่างเนี่ย แต่ว่านามธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ลึกลับส่วนรูปธปรรมนั้นมองเห็นกันอยู่ส่วนานามธรรมนั้นใครนึกคิดเรื่องอะไรไม่มีใครรู้ว่าข้าพเจ้านึกคิดเรื่องอะไรเข้าพเจ้านับถือเริ่มงสาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนก็ไม่มีใครรู้หรือบอกประมาทอยู่ในจิตในใจอยู่ขณะนี้หลวงพ่อพูดขึ้นมานไม่เชื่อไม่เชื่อคิดอยู่ในใจก็ไม่มีใครรู้อีก เพราะนั้นนามธรรมตัวนี้เป็นตัวที่ลึกลับแต่พระพุทธเจ้าท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาที่โครนต้นโพลท่านศึกษาเรื่องนามธรรมเรื่องจิตเรื่องใจของพระพุทธเจ้าเรื่องจิตเรื่องใจของพระองค์ท่านไปศึกษาเรื่องนี้ท่านว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากท่านจึงตั้งเป็นพุทธภาสีและเป็นพัมบาลีขึ้นว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสรามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพระองค์ได้ไปค้นคว้าศึกษาเรื่องใจของพระองค์ในวันเดือนหกเพนในวันนั้นพระองค์ก็ได้ตัสรุป ร, รมเนี่ยบอกปุเพในวาสานสุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้พวกเราเป็นพุทธธรรมมะกาพุทธบริษัทอันนี้จุดนี้ให้ศึกษาถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ให้ทําใจเอาไว้ก่อนเอออย่าพึ่งไปประมาทว่าไม่เชื่อฮะ อ, อย่าพิ่งพูดอย่างนั้น ถ้าพูดอย่างนั้นไปนว่าปิดหูปิดตาของตนเองถ้าหาว่าเราเชื่อทีเดียวเราก็จะหาว่างงง่ายนะแต่ตามไม่จริงให้ทําใจให้เป็นกลางไว้ก่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าถามภาษาริบุตรพระพุทธองค์เทศแสดงธรรมจบลงแล้วบางครั้งท่านก็ถามและท่านได้ถามภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรในครั้งหนึ่งภนะาษาลิบุตรที่เราตถาคตได้ตัดออกไปนี้ท่านมีความเห็นยังไงท่านเชื่อไหมว่าเราพูดออกไปนี้เป็นความจริง ภาษารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ายังไม่เชื่อพระเจ้าค่าเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติ ด, ดูก่อนถ้าว่าข้าพระองค์ได้นําไปปฏิบัติ ด, ดูแล้วข้าพระองค์จะกราบทูลพระพุทธองค์ต่อภายหลังฮะนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนใครก็ตามท่านไม่ให้เชื่อทีเดียวท่านให้มีหลักเหตุผลให้ฟังเอาไว้ก่อนแต่อย่าปฏิเสธแล้วให้นําไปปฏิบัติดูอย่างศีลห้าที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยการฆ่ากันดูซิเป็นยังไง ผลออกมาเป็นยังไงต่างคนก็ต่างละแวงซึ่งกันและกันหาความสงบเป็นสุขได้ที่ไหนคิดดูให้ดีนั่นแหละนั่นแหละคือปฏิบัติดูแล้วมันเป็นสิ่งที่หาความสงบไม่ได้ในชุมชนและสังคมของพวกเรานี่แหละทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ 84,000 ี่พันระธรรมมะขันนั้นล้วนแล้วจะเป็นเหตุเป็นผลสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็หลวงพ่อเอง อยากจะพูดขอร้องนะวันนี้จะได้ออกไปสถานีสถานีวิทยุแห่งนี้ออกไปหลายอำเภอทีเดียวหลวงพ่ออยากจะบินทบาทที่คณะสัทธาญาติโยมลูกหลานท่านผู้ใดได้ยินเสียงของหลวงพ่อออกไปนี้ก็ขอให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรท้องถิ่นของเราทรัพยากรท้องถิ่นของเราคือใครคือพ่อ คือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันแพทย์ตำบลอบตอครูบาอาจารย์ที่สอนเด็กนักเรียนนี่แหละคือผู้นำชุมชนของพวกเราอำเภอนายูงอำเภอน้ำโสมจุวรรณครูหาบ้านผืออำเภอท่าบอกสีเชียงใหม่บ้านผือสังคมในบริเวณนี้ ถ้าท่านผู้ใดได้ยินเสียงของหลวงพ่อออกไปหลวงพ่อขอปิณฑบาต ท, ท่านผู้นำทั้งหลายนะท่านผู้นำทั้งหลายให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในพรรษานีอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายงดอบายจะมุกทุกอย่างในเขตดินฐานของพวกเร า, เาคือไม่ให้ฆ่าไม่ให้ ข, มหขโมยไม่ให้ประพฤติผิดกาเมสุมิชฌาจารย์ไม่ให้มุสามไม่ให้ดื่มสุรา ทั้งหข้อนี้ถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติผู้นําในชุมชนของเราประพฤติปฏิบัติได้เพียงหข้อเท่านี้หลวงพ่อว่าในชุมชนของเราก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างมากเพราะเหตุใดเพราะว่าผู้นําชุมชนเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากในหลักของพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่ามโนปูพังเขงมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ ใจของเราก็คือใจของเราเป็นหัวหน้าในหมู่บ้านหนึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้าบนเป็นหัวหน้าตำบลหนึ่งคือกำนันเป็นหัวหน้าอำเภอหนึ่งก็คือนายอำเภอเป็นหัวหน้าจังหวัดหนึ่งกับผู้ว่าราชการเป็นหัวหน้าประเทศหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าโลกทุกวันนี้ก็มีหัวหน้าขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นหัวหน้าในสําคัญทางหัวหน้าทําตัวไม่ดีนะหัวหน้า ออกนอกลู่นอกทางหัวหน้าวัดหัวหน้าโรงเรียนอย่างเนี้ย อ, อครูใหญ่ก็คือหัวหน้าโรงเรียนอย่างสมพานวัดเนี่ยคืออย่างลูกพ่อเนี่ยก็คือหัวหน้าวัดถ้าหัวหน้าวัดอย่างลูกพ่อเนี่ยพาลูกศิษย์ลูกหาออกนอกลู่นอกทางทํา Quiet, ทในสิ่งที่ไม่ดีทําให้พทุทธศาสนาเสื่อมเสียได้เหมือนกันถ้าว่าครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันครูโรงเรียนก็เหมือนกันถ้าว่าทําตัวไม่ดีที่เป็นพอ อ, อ, อนะ โรงเรียนนั้นก็ทําให้เสียหายได้เหมือนกันผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันถ้าว่าผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นําชุมชนทําตนไม่ดีนะอย่างนี้นะพาปลูกกลั่นกินเหล้าเมายาเล่นการพนองการพนันอย่างนี้เอหมู่บ้านนั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายเอไป ต, ตามๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นหัวหน้าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งจะต้องเป็นผู้นําที่ดีนะเพราะฉะนั้นผมพ่อขอฝากกับพวกเราท่านทั้งหลาย ในเขตอำเภอนายูงน้ำโสมที่ได้ยินเสียงสถานีวิทยุของหลวงพ่อทุกวี่ทุกวันก็ขอให้พวกเราเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมให้เคารพกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละดีเลิศประเสริฐแล้วถ้าว่าใครไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองจะหาความสงบผ้าสุขไม่ได้ในชุมชนของพวกเราและก็พร้อมกันให้พวกเราหันหน้าต่อศีลธรรมในพรรานี้ ข้าวพเจ้ามีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่มมแมข้าวพเจ้าจะไปกราบพ่อแม่ทุกวันอาทิตย์หรือว่าทุกวันพระอย่างนี้ก็จะเป็นผลดีสําหรับลูกสําหรับหลานสําหรับเป็นวัฒนธรรมที่ดีสําหรับชุมชนของพวกเราเพราะว่าพ่อแม่เป็นร่มโพร่มใสของลูกของหลานเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเราเกิดมาเราเห็นเด็กไห ม, มพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก็อย่างนั้นลราไม่แพ้กัน เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นใหญ่ขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วเราควรจะไปกราบพ่อแม่ไปดูที่อยู่ของท่านที่อยู่ที่พักพาอาศัยของท่านขาดเหลือขาดตกอะไรลูกหลานทุกคนควรจะหันหน้าเราไปดูปนิบัติพ่อแม่ของตอนเองท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรสุขภาพของท่านเป็นยังไงเป็นหน้าที่ของลูกนะไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งท่านมีลูกห้าคนหรือ10คนอย่างนี้ เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนจะต้องดูพ่อแม่ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของคนโตคนเล็กไะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะเราได้ธาตุได้ขันได้อวัยวะแต่หัวจดเท้ามานี่ได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่ท่านเลี้ยงดูเรามายากขนาดไหนวันนั้นมาถึงจุดนี้พวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทที่ตาตอบแทนพระคุณของท่า น, นในพรรษานี่หลวงพ่ออยากจะให้เป็นอย่า ง, งานัน้นนะ อันนี้คือพระหันของบทธิดาคือพ่อแม่คือพระหันของบุทธิดาแต่ว่าพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านไม่ให้ปล่อยปลาละเลยอีกเหมือนกัน เ, เมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วล่วงลับไปแล้วพวกเราที่เป็นลูกหลานอย่างมาทําบุญในวันนี้แหละทําบุญวันอสารหะบูชาอย่างนี้แหละมาตักบาตรถวายพัฒฐานพระสงฆ์ พอพระสองฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเราพนน่อแม่จิตเอิบบุญกุศลที่เข้าไปเจ้ า, าได้ทําในวันนี้ขอบุญกุศลนี้จงพ่อแม่ปู่ย่าตายายขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลท่าว่าท่านทั้งหลายตกทุกข์แต่ยากอยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ทำมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปด้วยเถินนีอันนี้คือการอุทิศส่วนกุศลในจิตในใจของพวกเราอันนี้คือเป็นหน้าที่ของ ลูกของบุตรทิลาของลูกของหลานนะแล้วก็พร้อมกันกับเลืองอบายยมุกหลวงพ่อเป็นห่วงเหลือเกินเพราะเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นแถบอํเาเภอนายูน้ําโสมอา่าทำไมหลวงพ่อจังว่าเศรษฐีใหม่เพราะว่าพวกเราตะก่อนก็ไม่เคยมีเงินพวกเราปลูกยางขึ้นมาพอยางขึ้นมาก็กาลังกรดีดยางถึงราคาถึงขนาดนี้ก็เถอะก็ยังพอมีเงินหมุนเวียนในครอบครัวดีกว่าแต่ก่อนเมื่อกั้นแต่ก่อนเราทํานา ทำไรขอโพดนะเงินเดือนแต่ละเดือนแต่ละวันก็ได้น้อยนิดแต่คราวนี้ถึงจะน้อยนิดมันก็เป็นเงินหมุนเวียนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วก็อยากจะให้ลูกหลาน เ, าเก็บหอมรอมริบเพื่ออนาคตนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะถ้าเราใช้ไม่รู้จักประมาณใช้ไอรูยชุยแจกเอาได้เงินมาแล้วก็กินเหล้าเมายากินเบียร์ไปเที่ยวสัมเารเทเมาพลที่สุดกินเหล้ามาแล้วก็ตีฆ่ากัน ผลในสุดสวนยางเลยเป็นของนายทุนอีกอย่างเก่าเพราะเหตุไรเพราะตัวเองไม่มีเงินแล้วก็เอาไปจำนองจำนำเขาอีกนะก็ทําให้สวนยางของเราหลุดมือไปอีกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้สุราเนี่แหละเป็นเหตุเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายนะหลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นเป็นบอกกล่าวก็ว่าเป็นห่วงลูกหลานศรัทธาญาติโยมสรุปแล้วก็คืออยากให้พวกเราเป็น ผู้อยู่ดีกินดีมีความสุขในชุมชนของเราถ้าว่าอยู่ดีกินดีในชุมชนของเราหลวงพ่อก็มีความสุขไปด้วยเพราะเหตุไรถ้าว่าพวกเราเป็นมีแต่ขมโมยโพโในท้องถิ่นหลวงพ่อลำบากใจอีกเหมือนกันนั่นแหละ เ, เพราะนั้นถ้าว่าพวกเราอยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วเราอยู่ด้วยกันก็เหมือนอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีแต่ความสงบร่มเย็นผาสุขนะแล้วก็พร้อมกันอีก ก่อนหลับก่อนนอนก่อนเราเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทควรจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระหลวงพ่อว่านะ阿拉หังสัมมาสาวาคาโตสุปฏิปัโนนะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สก่อนเมื่อกราบเสร็จแล้วเราก็ให้มีเมตตาในจิตใจปนมมือขึ้นนั้นลึกนึกในจิตใจว่าข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายวงศานาญาตแม่มิตรสาหาิ วิญญาณทุกวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเอออันนี้แหละคือให้มีเมตตาคนที่มีเมตตาไปอยู่ณสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุขไม่มีพิษมีภัยไม่มีเวรมีภัยแก่ใครในเนพราะเหตุไรพวกมีเมตตาในจิตใจเพราะนั้นก่อนหลับก่อนนอนอยากจะให้พวกข้ศราชกาญาติโยมพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้า ให้มีเมตตาในจิตใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันละกันเขามาเบียดเบียนเราเราก็ทุกข์ยากลําบากถ้าเราไปเบียดเบียนเขาล่ะเขาก็ทุกข์อีกเหมือนกันเพราะนั้นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันละกันเอให้คิดเป็นธรรมให้การกระทําเป็นธรรมการพูดเป็นธรรมถ้าพวกเราทําตนได้อย่างนี้หลวงพ่อว่าความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดในชุมชนของพวกเราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเจากนั้นก็ให้พวกเรา นั่งสมาธิบ้างนะหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้มีทานคือการเสียสละถ้าคนไม่มีทานไม่มีการเสียสละมีแต่คนเห็นแก่ตัวไปที่ไหนไม่มีการเสียสละให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานให้วงศาคณาญาติแล้วจะหาความร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไงมีแต่คนขี้ตนีไปที่ไหนมีแต่แตะหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้เออฟ้องร้องกันอย่างเนี้ยเออ ในชุมชนนั้นก็หาความสงบไม่ได้เหมือนกันอ่าอันนี้คือทานคือสิการเสียสละหมูหมากาไกา่พวกสัตว์ทั้งหลายอยู่กับเราก็ได้ถ้าเราเป็นผูิเสียสละพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงอ่าก็อยู่กับเราได้แต่นี้ไม่ใช่ว่าเสียสละคํานี้ไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ให้เขาทั้งหมดไม่ใช่ให้รู้จักเก็บให้รู้จักแบ่งใช้ให้รู้จักแบ่งปันบ้างเออไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็ยังไม่ตก หล่นได้เฉลยอันนั้นไม่ได้ไม่ดีนะแต่ใช้จนเกินตัวจริ ง, รงๆก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะนั้นให้รู้จักให้รู้จักแบ่งปันควรจะให้พ่อให้แม่เท่าไหรท่านเลี้ยงดูเรามาเราจึงเลี้ยงดูเราได้แต่เราจะแบ่งให้ท่านนิดหน่อยไม่ได้เหรออย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือทานศีลก็เหมือนกันรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างหลวงพ่ออธิบายเรื่องศีลห้าเนี่ยนะให้แก่วพวกเรามีกฎมีเกณฑ์ในการเป็นอยู่ร่วมกัน คือว่าศีลห้าสมาธิถึงศีลสมาธิสมาธิคือคื อ, คอทำใจให้สงบออทำใจให้สงบคือนั่งภาวนาถ้าเป็นไปได้หลวงพ่ออยากจะแนะนำสั่งสอนลูกหลานแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าเออทาสมาธิทำยังไงเนี่ยนั่งสมาธิจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นะจะนั่งพับเพียบก็ได้นะออหรือจะนั่งออถ้าสบายของตนเองจากนั้นก็หลับตา ถ้าไม่หลับตา ม, มันไม่ได้มันมองไปเห็นนู่นเห็นนี้มันอารมณ์ด้วยใจออกไปตามตานะหลับตาไว้ก่อนจากนั้นก็บริกรรมพุทโธพุทโธกาหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่แหละวิธีการเบื้องต้นนะแต่นี้ได้อะไรเวลาเรานั่งไปแล้วได้อะไรความว่าได้คำนี้เนี่ยเราจะไปได้เงินได้ทองได้เงินทรัพย์สมบัติอย่างนั้นมันก็ไม่ไม่ใช่อย่างนั้น แต่มันผลเหล่านั้นมันต้องเป็นผลถอยได้เพราะเหตุไรเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติสัมปชัญญะการเคลื่อนไหวทุกอริยาบทของตนมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองเมื่อคนมีสติสัมปชัญญะีแล้วเราจะทาการงานอะไรทาหน้าที่อะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าพวกเรา จิตใจเออแล้วเห้ยลอยลมจิตใจปุ่งฟุ้งซ่านเหมือนกับคนเป็นบ้าอย่างพวกเราคิดดูก็แล้วกันจะคิดอะไรจะทําอะไรมันทําไม่ได้ทั้งนั้นเพราะจิตใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านแต่เมื่อใจของเราเป็นสมาธินะจ๊ะจิตสมาธิก็คือจิตเป็นหนึ่งจิตแน่วแน่จิตสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วเราจะพิจารณาอะไรออกไปจะพิจารณาเรื่องหน้าที่การงานจะวิเคราะห์เรื่องอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาได้ พรมีสติสัมปชัญญะกูอยู่กับตัวเองนี่แหละเบื้องต้นนะต่อไปในหลักของพุทธศาสนาสติเมื่อเป็นสมาธิดีแล้วก็เปินปัญญาท่นี่ปัญญาคือความรอบรู้ในเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆอันนี้ก็คือต้องศึกษาแล้วทันี้เพราะหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่อยู่จุดใด จ, จุดหนึ่งเป็นพระธรรมความจงสอนของพระเจ้ากว้างขวาง ปัญญาเนะี่ยคือปัญญาหลายระดับปัญญาหาอยู่หากินปัญญารู้จักหลบรู้จักกลิกปัญญาเอาเปรียบคนอื่นปัญญามันมีมากเหลือเกินแต่ปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะคือให้รู้เห็นตามความเป็นจริงพราร่างกายสังขารของเรานี่อยู่ไม่นานนะไม่ถึงร้อยปีนะนี่หลักของพระศาสนาท่านบอกว่านั้นนะท่านบอกว่าร่างกายสังขารไม่อยู่ถึงร้อยปีนะอีกสักวันหนึ่งนะ เขาจะต้องส่งขึ้นเมนเขาจะต้องส่งไปต่างประเทศล่ะร่างกายของเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเดยอันนี้นี่แหละแต่ทำยังไงถึงอันนี้ต้องศึกษาแหละทีนี้หลักของพุทธศาสนาต้องศึกษาในรายละเอียดที น, นี้พอศึกษาเข้าไปแล้วโอ้โลกนี้ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรทีนี้ถามตัวเองที่สิ่ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั่นคืออะไรนี่แหละเมื่อตั้งถามคําถามขึ้นมาได้ก็หาหาเหตุผลและะ้วบ่ เออคนที่มีความสุขคือคนมีเงินคําทรัพย์สมบัติมากมา อ, อถ้าคนมีเงินครับทรัพย์สมบัติมากๆแล้วเป็นยังไงออที่มีมากๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายรู้เห็นเป็นยังไงหาความสุขไม่ได้อีกส่วนหนึ่งถ้าคนมียศถาบรรดาศาักดสูงสูงแล้วมีความสุขก็ไม่ใช่กลัวเขาจะแย่งลาบแย่งยศเอกลัวเขาจะตัดขาเก้าอี้ตัวเองอีกเป็นทุกข์อีก อ, อนี่แหละกลัวเขาจะแย่งยศแล้วอะไรคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ หาที่ใจพระพุทธเจ้าไม่ใช่หาที่อื่นเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ในเวียงในวังเ อ, อมีความสุขอย่างมากๆาพระพุทธองค์บอกว่าอันนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จอมปลอม อ, อ, อีกสักวันนึงจะต้องรุดลุ้ยไปเไม่มีใครที่จะเอาไปด้วยได้ เ, เมื่อมรณะภัยมาถึงแล้วก็ต่างคนก็ต่างแบมือทั้งนั้นเ อ, อจะหาความสุขได้ที่ไหนเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นหาได้ที่ใจเพราะนั้นพวกเรา พุทศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธองค์หน้าที่หลวงพ่อได้กล่าวมาวันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับแกงหม้อใหญ่ในการพูดในวันนี้ในเป็นในาภาพภาพรวมได้หลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเป็นแนวความคิดของพวกเรานานทีพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันมากถึงขนาดนี้วันนี้รู้สึกว่าเห็นคณะสัตยาจอมมาวัดหลวงพ่อในวันนี้ก็รู้สึกว่าอบอุ่นเป็นอย่างมาก แน่นศาลาเลยอแล้วรถก็เต็มไปหมดแล้วก็หลวงพ่อก็ได้เมื่อเห็นศรัทธา ญ, ญาติโยมมามากถึงขนาดนี้จะไม่พูดไม่กล่าว่ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรให้แก่ลูกแก่หลานศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ยินได้ฟังเฉยเลยนะก็จะเป็นการพลาดโอกาสไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงความคิดเห็นให้ฟังว่าศีลห้ามีคุณค่าอย่างไรทานมีคุณค่ายังไงศินมีคุณค่าอย่างไร สมาธิมีคุณค่าอย่างไรสินกฎหมายบ้านเมืองอมีคุณค่าอย่างไรเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร เ, เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ศึกษาแล้วก็นำไปคิดไต่ตรองเหตุและผลอย่างที่ที่หลวงพ่อได้กล่าวให้แก่พวกเรา ท, ทั้งทั้งหลายได้ยินได้ฟังต่อนนี้ไปก็พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร